อย่างที่ครูบาอาจารย์กอจะบอกให้พวกเราทำในรูปแบบทำในรูปแบบไม่เป็นประจําอย่างอย่างเนี้ยอย่างนี้ถือว่าทําในรูปแบบ응ทําในรูปแบบสวดมนต์แล้วก็มีเวลาทําความสงบใจทําในรูปแบบไม่เป็นประจําเลือกเวลาใครสะดวกทําตอนเช้าทําตอให้ทําตอนเช้าใครสะดวกทําตอนค่ำให้ทําตอนค่ำ กลางวันคงหายากยกเว้นคนที่ไม่ได้ทำงานก็ <c oughs> ทำตอนกลางวันแต่คนที่ทำงานก็ไม่มีเวลาก็ต้องใช้เวลาที่เราสะดวกบางคนทำงานเครียดมาทั้งวันตอนเย็นไม่ไหวก็วให้พักไปแต่ให้ตื่นเช้าขึ้นหน่อย <c oughs> ให้มีเวลามาสวดมนต์มาทำวัดมานั่งสมาธิหรือมานั่งทำความสงบใจ บอกนั่งสมาธิเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนั่งทำความสงบใจแล้วมันก็แสดงให้เห็นให้เห็นว่าไม่สงบ <laughs> <laughs> ใช่ไหมมันไม่สงบแล้วเราก็อยากจะสงบไหมอยากไหมอยากเพราะอยากจะสงบนะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าไอ้ความไม่สงบเป็นศัตรูของเราใช่ไหม <laughs> พอตั้งเป้าหมา ย, ยางี้เราก็จะเครียดเวลามันไม่สงบ แน่จริงแล้วเราจะดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่ดูว่าดูว่ามันสงบไม่ใช่ว่าเพื่อจะดูว่ามันสงบแต่จะดูว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจงอย่ามีนิวอร์นเป็นไปไม่ได้จงอย่ากโกรธเป็นไปไม่ได้จงอย่ามีราคะ เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนมีครบหมดเลยมีครบหมดเลยแต่เราจะเรียนรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อราคะเป็นอย่างนี้อ๋อโทสะเป็นอย่างนี้อ๋อเผลอเป็นอย่างนี้ดูให้เห็นความจริงถ้าตั้งใจว่าจงอย่าเผลออย่างนี้นะเครียดเครียดเลยเพราะทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยิ่งเราพวกเราเนี่ยนะ เติบโตมาในสังคมแบบสอนให้คิดสอนให้คิดทำงานก็ทำแบบคิดด้วยนะใช่หคิดเพราะฉะนั้นยากยากที่จะอยู่นิ่งๆอาตมาเคยถามเคยถามคุณตา ค, ณคุณตาทจะนั่งสมาธิเป็นประจำตื่นมาตี4จะเห็นคุณตานี่นั่งสมาธิอาตมาตื่นมาไม่ใช่เพื่อมานั่งสมาธิกับคุณตา ตื่นมาก็ปวดฉี่แต่เวลาลุกออกมาจะไปเข้าห้องเข้าห้องน้ำเนี่ยจะผ่านห้องของคุณตาห้องของคุณตาเนี่ยจะมีที่ข้างหน้าโล่งๆคุณตาจะมานั่งข้างหน้าโล่งๆนั่งสมาธิคงไม่ได้นั่งโชว์หลานหรอกแต่ว่าตรงโล่งๆมันสบายก็นั่งสบายๆเห็นประจํา ไม่คิดจะเรียนแบบเลยดูเด็กมันโง่นะแต่มีอยู่ครั้งนึงไปถามคุณตานั่งยังไงนั่งสมาธินั่งยังไงคุณตาคงขี้เกียจอธิบายคุณตาพูดสั้นๆว่าคำตอบคุณตานะนั่งไม่คิดโอ้เรามึนเลยนั่งไม่คิดก็ไปลองนั่งไม่คิดนั่งยังไงนั่งไม่คิดนั่งไม่ได้นั่งไม่คิดนั่งไม่ได้ คุณตาคงไม่ใช่คนคิดมากพวกเราเนี่ยคนคิดมากส่วนใหญ่เนาะคนคิดมากใครไม่คิดมากมีไหมส่วนยอมรับนะว่าเราคิดมากใช่ไหมคิดมากก็ยอมรับว่าคิดมากเพราะฉะนั้นนั่งแล้วไม่คิดเนี่ยยากเครียดแต่มาลองนั่งแล้วตั้งแต่เด็กเครียดเครียดจนมาบวชนะจนมาบวชก็นั่งเพื่อให้สงบ ทำอยู่นานสงบบ้างแล้วก็ฟุ้งแล้วส่วนใหญ่จะฟุ้งก็พยายามกดมันไว้ไม่ให้ฟุ้งวิธีกดยังไงหลายแบบเพ่งไว้ที่หนึ่งเพ่งเพ่งไว้ทำได้เหมือนกันนะทำได้เพ่งเพ่งเพงเพงเพหมดแรงก็ฟุ้งหมดแรงเพ่งก็ฟุ้งเป็นไหมเคยทำไหมเพ่งเพ่งเพ่งไว้แล้วก็ฟุ้งพยายามทำเคลิ้มมีนะเคยทำนะ เคยทำแล้วโยมเคยทำไหมทำเคลิมเคลิมคิดว่าถ้าเคลิมน่ะคือสงบก็<ร>เลยทำแกล้งเคลิมเคลิมเบลอเบอไม่รู้ตัวไอ้ตอนนั้นไม่รู้ตัวใช้ไม่ได้ต้องรู้ตัวกว่าจะรู้ว่าทำผิดนะกว่าจะรู้ว่าทาผิดเนี่ยบวชมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบกว่าพรรษา เสียเวลาไปกับการทำผิดๆเนี่ยสิบกว่าพรรษามารู้ว่าผิดก็คือมาอ่านหนังสือหลวงพ่อประโมดนี่แหละไม่รู้เขาแจกเปล่าวันนี้วิธีแห่งความรู้แจ้งมีไหมมีไห ม, มไม่มีไม่เป็นไรเล่มอื่นก็พอพอจะอ่านแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าที่ถูกที่ท่านสอนน่ะเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงคือมันไม่ถูก แต่ที่อาตอมาอ่านอ่านที่แรกนะวิถีแห่งความรู้แจ้งนะอ่านที่แรกก็โอ้ใช่ใช่ใช่ใชโว อ, อ่านแล้วแบบมีมีความแจ่มใสในการอ่านใช่เลยฮึอรู้สึกเึกเหิมใช่ใช่ใชโอ้โหมันต้องอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้พออ่านจนมาถึงบท ห, หนึ่งที่ท่านเขียนจี้แจงว่าที่ว่ารู้เนี่ย ที่ท่านให้เจริญสติให้รู้เนี่ยนะรู้ยังไงนถึงตรงนี้นะอ่านไปรู้รู้คือไม่เผลอใช่ไหมอันนี้ถูกไหมรู้คือไม่เผล อ, อืใช่เลยรู้คือไม่เผลอถ้าพัถ้าเผลอเนี่ยกลายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้คือไม่เผลอเวลาเผลอเนี่ยกายนั่งอยู่หายใจอยู่ก็ไม่รู้ จิตที่กำลังเผลออยู่ก็ไม่รู้มันจะไปไหนมันไปไหนก็ไม่รู้มันเผลอส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดใช่ั้ยมันก็มีอีกข้อหนึ่งท่านเขียนว่ารู้คือไม่คิดรู้ไม่ใช่คิดถ้าโมาแต่คิดนะไม่รู้แต่ตอนท้ายของทุกอันนะท่านจะบอกว่าไอตอนข้อแรกเนะี่ยรู้คือไม่เผลอตอนเผลอคือ กายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ขณะนั้นคือเผลอไปเผลอไปก็ได้หลายรูปแบบแต่ถ้ารู้ว่าเมื่อกี้เผลอความเผลอจะดับกลายเป็นความรู้ขึ้นมาแทนขณะนั้นเนี่ยเรียกว่ามีความรู้เกิดขึ้นมีสติความเผลอดับกลายเป็นความรู้ขึ้นมารู้ไม่ใช่คิดถ้าขณะคิดเนี่ยไม่รู้ คิดนี่รู้แต่เรื่องราวเรื่องราวที่คิดเช่นคิดอะไรดีเราจะคิดเรื่องอะไรคิดว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันจะจบยังไงมันไม่มีคําตอบนะแต่รู้ว่ากาลังคิดเรื่องนี้มีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นรู้ว่าพรุ่งนี้โม่คิดว่าพรุ่งนี้จะไปฟังเทศและจะไปส่งการบ้านจะส่งการบ้านอย่างนี้อย่างนี้กับหลวงพ่อคิด คิดคิดๆรู้เรื่องที่คิดตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าเผลอคิดไม่รู้ว่ามีการคิดเกิดขึ้นการคิดอันนั้นกลายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตที่กำลังคิดอยู่ก็ไม่รู้แต่พอรู้ว่าเมื่อกี้นี้คิดไปความคิดดับกลายเป็นความรู้แวบเดียวเดี๋ยวคิดอีกตอนรู้ไม่ได้คิดมารู้แวบเดียวนะตอนนั้นอุ้สักรมก็ไม่ไหว ไม่มีเวลาที่จะพูดแค่รู้จะเชื่อว่าเมื่อกี้คิดพอเริ่มคิดใหม่ลืมไม่รู้กลายเป็นยังไงก็ไม่รู้นะตอนจิตนะกลายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตที่กำลังเผลอคิดอยู่ก็ไม่รู้รู้ไม่ใช่เพ่งตอนเพ่งเนี่ยไม่รู้เพ่งมันอาการเป็นยังไง มันจะไปมุ่งพุ่งไปที่จุดจุดหนึ่งแต่พอพรู้ว่าเพ่งความเพ่งดับเพราะจิตทำงานทีละอยา่างจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างที่บอกแล้วเมื่อตอนกลางวันนะจิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์เกิดขึ้นมารู้อารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ดับเป็นเห็นให้จิตอีกดวงหนึง่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับถ้าเพ่งนี่คือมันใสแรง ใส่แรงในการพุ่งเข้าไปรู้ในจุดจุดหนึ่งแล้วก็มีการบังคับให้อยู่ในจุดนั้นนานๆมันไหลไปไหลไปอยู่เจนจุดจุดหนึ่งเช่นถ้าจะดูลมหายใจเฉพาะที่จมูกที่ลมแตะที่จมูกมันมีการไหลมารวมอยู่ที่จุดจุดนี้ลองดูนะลองดูลมหายใจที่แตะที่สองช่องจมูกแล้วก็เพ่งเอาไว้ ขณะนั้นนะกายทั้งหมดจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกกาลังหายใจอยู่ไม่รู้แบบรู้แต่ว่ามีอะไรก็รู้อยู่ตรงนี้มีลมแตะๆเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอย่างเงี้ยนะกายเป็นยังไงไม่รู้นะ <S <S ใจที่กำลังเพ่งอยู่ก็ไม่รู้แต่พอรู้ว่าเมื่อกี้เพ่ ง, พงไปเมื่อกี้นี่เพ่งไปการเพ่งดับกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเพ่งนั้นดี <S <S <S เดี๋ยวเพ่งอีกเพ่งไม่รู้ ตอนเพ่งไม่รู้นะตอนรู้ว่าเพ่งนั่นแหะใช้ได้มันจะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้นะบางทีอย่างที่บอกว่าเข้าใจว่าถ้าเคลิมเคลิมคือสงบก็พยายามน้อมจิตให้ไปอยู่ในความสุขอะไรแบบหนึง่งแล้วก็เคล้มเคลิ้มเลิมไปเคลิมมากลายเป็นยังไงไม่รู้จิตที่ลอยไปแล้วก็ไม่รู้ พอรู้ว่าเคลิ้มใช้ได้รู้ว่าจิตลอยไปใช้ได้ตอนนั้นรู้อธิมาอ่านมานะจนถึงไอตอนที่ว่ากำหนดรู้ไม่ใช่กำหนดเคยไ้ยเคยกำหนดไหมกำหนดคือหายใจเข้าก็เข้าหนอแล้วออกก็ออกหนอคือมีคาบรรยายอะ <c ười> มีคำบรรยายตามมา หมวแต่ตามบรรยายตัวอย่างงี้นะยังไม่ใช่ตอนบรรยายเนี่ยมันเลยไปแล้วเข้าหนอเนี่ยนะหรือว่าคิดหนอแต่ตอนหายใจเข้าหายใจออนเนี่ยยังพอทันนะแต่พอเรื่องความคิดความหลงความเผลอความโกรธเนี่ยนะไม่ทันถ้าโกรธแล้วมัวแต่บอกว่าโกรธหนอนะมันเลยตรงจุดโกรธไปแล้วตอนที่บรรยายเนี่ยมันเลยจุดโกรธไปแล้ว เผลอเนาไอตอนบรรยายว่าเผลอนะมันเลยตอนเผลอไปละเพราะฉะนั้นตอนรู้จริงๆคือเมื่อกี้นี่เผลอไปแล้วดับไม่ทันจะมีอะไรเลยจิตดวงใหม่เนี่ยรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอตอนรู้เนี่ยนะพูดไม่ทันดับไปอีกแล้วจะมาพูดบรรยายนะไอตอนบรรยายไม่ใช่ตอนรู้เข้าใจไหมตอนบรรยายไม่ใช่ตอนรู้ตอนรู้นะเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ปุ๊บดับไปเลย รู้ปุ๊บดับไปเลยบรรยายไม่ทันจิตดวงนั้นน่ะไม่มีชีวิตนานพอที่จะมาบรรยายอะไรยาวๆจิตนั้นดับไปแล้วจิตที่รู้นั้นดับไปแล้วขณะแห่งจิตเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่มีค่าแต่มีค่านะจิตแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นมีค่ามีค่าขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าขณะแต่ละขณะอย่าล่วงเลยท่านไป สอนพระขนาดนั้นเลยนะขนาดแต่และขนาดอย่าล่วงเลยท่านไปเพราะถ้าล่วงเลยไปท่านจะไปแออัดอยู่ในนรก <c oughs> ว่าขนาดนั้นเลยนะมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งท่านอยู่ที่วัดบุพารามบุพารามคือวัดของวัดที่นางวิสาขาสร้างถวาย <c oughs> เคยได้ยินไหม <c oughs> นางวิสาขาเคยได้ยินนะบุพารามเคยได้ยินหม อยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเนี่ยเกิดจากว่านางวิสาขาลืมเครื่องประดับชิ้นหนึ่งเครื่องประดับชิ้นนั้นนะเป็นรูปนกยูงแล้วก็คลุมไปทั้งตัวลากไปถึงพื้นเลยเป็นอั ญ, ญมณีสีเขียวเขียวก็าเรียกอะไรมรกตมรกต แล้วก็ประดับด้วยเพชรบ้างพลอยบ้างมูลข่าเท่าไหร่จําไม่ได้แล้ะแต่สร้างวัดได้วัดหนึ่งลืมไม่ที่วัดนะทีแรกนะลืมไม่ที่วัดทําไมทั้งลืมเพราะว่าเวลาเข้าวัดเนี่ยต้องถอดเครื่องประดับ <S <S เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่และบุคคลนะเหมือนเวลาตํารวจจะไหว้พระเนี่ยนะไม่ใช่ตะเบะนะต้องถอดหมวกนะหรือ เวลาจะไหว้พระกราบพระไม่ใช่มีเครื่องประดับเต็มหัวแล้วก็ไปวัไปกราบไปไหว้แสดงความไม่เคารพกลางร่มอยู่ยังต้องหุบร่มเพื่อจะไหว้อย่างนี้นะนังวิสาขาเนี่ยไปวันนั้นไปงานอะไรก็ไม่รู้แต่งเครื่องประดับกเต็มยศเลยนะแล้วก็คิดว่าขากลับเนจะแวะกราบพระพุทธเจ้าสักหน่อย นึกด้ว่าโอเรามีเครื่องประดับก็เลยถอดเครื่องประดับฝากฝากคนใช้เอาไว้คนใช้ก็นึกยังไงก็ไม่รู้เดินตามไปด้วยหมูวแต่เฝ้าของคิดว่าของนะั่นไม่ห า, หายหรอกในวัดนะก็เดินตามนางวิสาขาไปนางวิสาขาเสร็จธุระแ ล, ะล้วกราบพระพุทธเจ้าเรียบร้อยกลับบ้านก็คิดว่าคนใช้นะหอบเอา เครื่องประดับนี่ไปด้วยกลับบ้านด้วยไปถึงบ้านอ้าวลืมลืมก็บอกคนใช้ว่าไปเอานะแต่ไปถามพระก่อนถ้าของลืมที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพระอานน์จะเป็นคนจะเป็นองค์ที่เก็บถ้าพระอานน์ถูกแล้วนะหมายถึงว่าสัมผัสเครื่องประดับนั้นยกเอาไปที่ไหนแล้วเนี่ยไม่เอาคืนนี่ดูตั้งกติกาอย่างนั้นนะแล้วพระอานน์ก็ ไม่ได้คิดว่าจะเอาเครื่องประดับนั้นนะพระนนก็เห็นหนะไม่ใช่ของใครเราเครื่องประดับอย่างนี้นะมีคนเดียวนางวิสาขาก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยเดี๋ยวนางวิสาขามาวันไหนก็จะให้นางเอาคืนไปแต่เป็นหน้าที่ของพระเวลาใครลืมเครื่องประดับหรือของมีค่าอะไรต้องเก็บรักษาเอาไว้ถ้าไม่เก็บรักษาเอาไว้นะมีโทษด้วยถ้าทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ คนอื่นไม่เห็นเข้าเขาเอาไปนนะแล้วเจ้าของตัวจริงมาถามหาแล้วก็ไม่เจอเจ้าของนั้นอาจจะคิดในแง่ที่ว่าโอ้โหของมีค่าอยู่ในวัดแท้ๆทำไมไม่ช่วยดูให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะตําหนิพระเอาแต่ถ้าของมีค่าตกอยู่ตามตลาดนะห้ามเก็บแม้แต่เก็บว่าจะเอาไปให้คนหาเจ้าของยอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ห้ามเก็บ พระนะแต่โยมนะเก็บไปหาตำรวจได้ส่วนตำรวจจะเอาไปไหนก็ไอ้เรื่องนะ <c oughs> คงจะไปหา <c oughs> หาเจ้าของต่อแต่กรณีนี้นะพระอ น, นุลก็เก็บเก็บเอาไว้อย่างดีคนใช้ก็รีบมาเลยเอา้าวที่ที่เดิมไม่อยู่ไอ้ที่เคยวางไว้มันมันเคลื่อนละมันหายไปแล้วก็เลยไปถามพระพระก็บอกอ๋อพระอ น, นุ์เก็บเอาไว้ ดูเนี่ยอยู่นั่นนะ่ะอยู่นั่นนะ่ะไปเอาสิโอถ้าพระอนุน์เก็บแล้วไม่เอาพระถ้าพระอนุน์เก็บแล้วไม่เอาไปก็ไปบอกหนามิสาขานามิสาขาบอกดีแล้วถ้าพระอนุน์เก็บเอาไว้เราจะถวายพร ะ, สะเสลยก็ไปบอกกับพระอนตน์บอกว่าเครื่องประดับนี้โยไม่เอาแล้วขอถวายพระพระจะรับไหมก็ไปทำอะไรเนาะพระอนุนบอกว่าไม่เอา ไปทําอะไรแต่โยมปณิญาณไว้แล้วว่าถ้าพระจับแล้วนะไม่เอาทําไงล่ะคืนนี้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนําว่าเอาไปขายเอาไปขายนะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปเอาเงินนะมาถวายพระอีกทีคือมาทําประโยชน์ในวัดอีกทีแต่ถ้าเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยใครก็ใช้ไม่ได้เพรมนเครื่องประดับของผู้หญิงด้วยแล้วก็หนักะ พระก็คงไม่คิดจะมาเอาประดับตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะไปแขวนตรงไหนเป็นภาระก็เลยประกาศขายราคากี่ล้านไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะเก้าสิบโกดใช่ไหมก้าสโกด90สิบโกด90้โกดนี่คือเก้าร้อยล้านโกด่คือ10ล้านเก้าร้อยล้านเก้าร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่เก้าร้อยล้านค่าเงินสมัยนี้นะ กะหาปะนะใช่คำว่ากะหาปะนะแล้วเงินเทียบเงินให้ดูนะครั้งหนึ่งนางโลฮินีขายเครื่องประดับเหมือนกันราคาห้าร้ยกะหาปันะสร้างตึกได้สองชั้นห้าร้อยห้องอนี่เก้าสิบกด <c oughs> ขนาดไหนอะใช่ไหมประกาศขาย หมูนค่าเท่านี้ไม่มีคนซื้อประกาศแล้วถูกขอนโป่งๆออกชั่นไม่มีใครซื้อไม่มีใครเสนอต้องซื้อเองเอาเงินเก้าร้อยล้านมาซื้อเครื่องประดับของตัวเองแล้วไม่รู้เอาเงินไปไหนถามพระพุทเจ้าไม่รู้จะทำอะไรตรงสุดท้ายคือไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งเมือง น, นั้นนะมีวัดอยู่แล้วคือวัดเชตวัน ของอนาตะบินิกาเศรษฐีนางวิสาขาขายเครื่องประดับตัวเองไม่ได้ต้องซื้อซื้อคืนมาเงินตั้งเก้าร้อยล้านก็เลยไปสร้างวัดสร้างอย่างดีเลยสร้างไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านางก็จ่ายเงินเพิ่มอีกนะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อประดับตกแต่งวัดตรวจดู คนทั้งหลายก็โหสร้างอย่างดีโหงบเยอะงบเยอะสร้างอย่างดีสวยงามมากเพื่อนนางวิสาขามาดูอยากทำบุญด้วยอยากร่วมบุญด้วยก็หอบผ้ามูลค่าแสนกหาปณะนะมาผืนหนึ่ง <c oughs> มีค่ามากนะถามวิสานางวิสาขาว่าจะเอาไปตรงไหนดีประดับตรงไหนดีนางวิสาขาบอกว่า ดูเอาเองก็แล้วกันโู้มันไม่รู้จะประดับตรงไหนดูวอาเองแล้วกันควรจะอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละอนุญาต mm hmm. เพื่อนก็เอามาดูโอ้โหม่านก็สวยสวยมีขึงผ้าเพดานด้วยนะผ้าเพดานก็สวยสวยอสนะอะไรก็สวยหมดเลยผ้าเราเนี่ยดูด้อยข่าไปหมดสุดแลมองไปมองมา มีผ้าเช็ดเท้าเขาไม่ได้เตรียมเอามาทำผ้าเช็ดเท้าแพงขนาดไหนอาตมาถ้าเกิดทานตอนนั้นคงไม่กล้าเช็ดนะไม่รู้ตอนนั้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอยู่ที่วัดบุพารามเนี่ยท่านก็ หลับกลางวันอยู่กันห้าร้อยองนะหลับกลางวันกันหมดเลยพอหลับกลางวันตื่นขึ้นมาก็ฟุง้งพระฟุ้งเรื่องอะไรสมัยนั้นถามกันเมื่อเช้านี้ไปบิณนาบาตะที่ไหนไปฉันที่ไหนโอ้ผมไปในวังพระเจ้าประเสณนาธิโกศลโอ้อาหารชั้นหนึ่งชั้นยอดโอ้ผมไปบ้านอนาณาถาวินิกาเศรษฐีผมไปบ้านนางวิสาขาผมไปบ้านเศรษฐีคนนู้นคนนี้คุยกันฟุ้งซ่าน และห้าร้อยองค์นนะฟุงดังเราอยู่เป็นครูนะนนะคงมีประสบการณ์ใช่ไหมเวลานักเรียนแค่สี่สิบคนในห้องคุยกันเนี้ยนะเราก็โอ้โหฟังไม่ได้สับใช่ไหมนี่พระห้ารอองค์คุยกันชั้นล่างของตึกตึกหนึ่งที่มีห้าร้อยห้องแต่ตอนที่ท่านคุยกันเนี่ยไม่อยู่ในห้องอยู่ในอยู่ในที่ชั้นล่างและชั้นบนเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ พระก็ไม่เกรงใจพระเทเจ้าเลยนะคุยคุยคุยพระเจ้าก็เอฮ่ทำยังไงให้พระเหล่านี้เกิดสังเวชรู้จักสังเวชไหมสังเวชแปลว่าอะไรนะสลดเหรอไม่สลดหรอกสังเวชคือให้เกิดความรู้ตัวแล้วไม่ประมาทสังเวชนะสังเวชชนิยสถานสังเวชเนะี่ยไม่ใช่ไปดูแล้วสลดแต่ดูแล้วเกิดความไม่ประมาทนะ เป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทํำยังไนงนะนึกถึงพระโมพระโมฆลลานะนึกถึงพระโมฆลลานะอยากไม่ใช่อยากเนาะเรานี่อธิบายแบบมาเลภูมิทําไม่ถึงจะแช้คําว่าอยากนี่ไม่ได้นะส่งสัญญาณจิตไปบอกว่าโมฆลลานะมาทําให้พระเหล่านี้เกิดสังเวชที รโมคคัลลานะรับกระแสจิตปุ๊บเหาะมารับได้ไหมรับได้อยู่แล้วรับระดับพระโมคคัลลานะรับได้อยู่แล้วแค่พระพุทธเจ้ามีมีอุทานในใจว่าโมคคัลลานะมาทําให้พระเหล่านี้สังเวชทีพระโมคคัลลานะก็รับปุ๊บเหาะมาปรากฏต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องขึ้นบันไดถ้าขึ้นบันไดต้องผ่านพระห้ารอองคนะ์นะนี่ไปปึ้งอยู่ข้างบนกราบาพระพุทธเจ้า ถ้าบรรยายตามภาษาอาตามาแบบพระบ้านนอกเดี๋ยวผมจัดการเองแต่พระโมคคลลานะไม่ขนาดนะพระโมคคลลานะก็รับรับคำพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านทำยังไงรู้ไหมกระดิกนิ้วเท้าโยมกระดิกสิกระดิกนิ้วเทา้าอืพระโมคคลลานะกระดิกนิ้วเทา้าน ะ, ะนานะตึกนั้นเคลื่อนเลยตึกไหวเลยโยมเราช่วยกันกระดิกนะ <laughs> ตัวเราไหวใช่ไม้มตึกไม่ไหวใช่ไหมพระโมคคัลลานะกระดิกนิ้วเท้านิดเดียวตอนนั้นเองตึกไหวพระตกใจพระห้าร้อรูปตกใจทิ้งบาติ้งจีวรไว้ที่ตึกนั่นแหละแล้วก็ออกมาที่โลง่งมาดูตึกจะพังไหมนอ้อไม่ห่วงพระเจ้าเลยนะห่วงชีวิตตัวเองเฮ้ยตึกจะพังหรือเปล่าตึกจะพังหรือเปล่าพระเจ้าก็หาตัวแวบมาโผล่เป็นยังไง มาทำอะไรอยู่ตรงนี้โอ้เมื่อกี้แผ่นดินไหวตึกจะล้มเธอรู้ไหมว่าเหตุใดตึกจึงไหวเมื่อกี้นี้ไม่ทราบครับที่ไหวเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าโมฆลาณนะกระดิกหัวนิ้วแม่เทา้าโอ้อนุภาพพร ะ, ะโมฆลาณนะขนาด น, นั่นเฉยเอที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมไม่ทราบ เพราะพวกเธอทั้งหลายฟุ้งซ่านปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยที่ไม่มีสติหลับกลางวันตื่นขึ้นมาท่านไม่โทษตอนหลับกลางวันนะแต่โทษตอนที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอย่างฟุ้งซ่านไม่ยอมรู้ตัวถ้าเธอยังเป็นอย่างนี้นะขณะจะล่วงไปล่วงไปไปกับความฟุ้งซ่านอันนั้นฟุ้งซ่านอย่างนี้พวกเธอจะตกนรก ขณะอย่าล่วงเธอไปเลยคโนโวมาอุปัจจขาขณะอย่าล่วงท่านไปเสียท่านเอาเอาขณะเลยนะไม่ใช่เอาเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงนี้อย่าล่วงท่านไปเสียไม่ใช่ขนาะนั้นนะนาทีนี้อย่าล่วงท่านไปเสียเอาขณะจิตเลยขณะจิตแต่ละขณะอย่าล่วงท่านไปเสียเพราะถ้าขณะจิตล่วงไปโดยไม่มีสติ LM. ท่านจะตกนรกนี่นะเราเอา ไม่ต้องขนาดถึง ท, ทุกขนาดก็ได้นะแต่ว่าตอนที่มีสติเนี้ยนิดเดียวขนาดนิดเดียวเผลอไปช่วงหนึง่งแล้วมีรู้ความรู้ตัวขึ้นมาแล้วเผลออีกเผลอไปช่วงหนึง่งแล้วมีความรู้ตัวแล้วเผลออีกไม่ต้องตั้งเป้าว่าฉันจะดับกิเลสกิเลสจงมาแล้วฉันจะดับไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ฉันจะรู้ว่ากิเลสเป็นยังไงอยากดูหน้าตากิเลส จงมาจงมาแล้วฉันจะรู้แต่ตอนจงมาเนี่ยนะให้ตั้งอยู่ในที่ตั้งก่อนเหมือนเราจะทำสงครามอะไรเนี่ยนะมันต้องมีที่ตั้งนะต้องมีฐานต้องมีค่ายต้องมีที่พักไม่ใช่ไปยืนจังก้าอยู่ไม่มีที่พักเลยเนี่ยตายฟรีดันั้นต้องมีที่พักบ้าง มีที่พักแล้วก็คอยดูเหมือนเรามีบ้านอยู่แล้วมีใครผ่านไปผ่านมาก็ชะโงกดูแค่ดูรู้ว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะเผลอออกนอกบ้านไปลุยเขาไปลุยเขาแล้วเจ็บแต่ถ้ารู้ทันว่าเจ็บรีบกลับบ้านนะยังพอได้พักผ่อนยังพอได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นต้องมีสองตัวนี้ไปพร้อมๆกันทิ้งสองอย่างไม่ได้นะ ต้องมีสมถะกรรมฐานนวีปัสสนากรรมฐานสมถะคือทําให้จิตมีที่พักก่อนให้จิตมีที่พักแล้วรู้ตามจริงตอนรู้ตามจริงคือมันอาจจะเผลอออกไปจากที่พักบ้างเผลอออกไปเนี่ยตอนนั้นกลายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตที่กําลังเผลออยู่ก็ไม่รู้แต่รู้เรื่องเช่นรู้ว่ารู้ว่าอะไรดีรู้จักคุณอุทัยแล้วใช่ไหมหรือรู้จักคุณสุเมธเนี่ยโอ้คุณสุเมธเนี่ยน่ารัก พูดจาเรียบร้อยหน้าทะนุถนอมหน้าเข้าใกล้หน้าเข้าไปพูดคุยอีกตอนนี้มีราคะเกิดขึ้นไม่รู้รู้แต่ว่าคุณสมเพศดีพร้อมทุกอย่างเลยอิจฉาคุณชื่ออะไรนะไปแล้วคุณแอ <c oughs> อิจฉาคุณแอจังเลยโอ้โหมีคนดีๆอย่างนี้อยู่เคียงข้างกายเมื่อไหร่เราจะหาคนดีๆอย่างนี้ได้นะมโคิดอย่างเงี้ยรู้แต่คุณสมเพศดีแต่ใจตัวเองกาลังเผลออยู่ไม่รู้เลย จิตที่กําลังเผออยู่นั่นไม่ดีไม่รู้เลยกายกําลังนั่งอยู่หรือเดินคิดเหมอลอยอยู่ไม่รู้เลยจิตที่เมออยู่ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคุณสุเมธดีดีจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่น่าจะดีจริงแหละไปดูคนโู้นดีคนนี้น่ารักคนนั้นน่าชังเขาดีจริงหรือน่าชังจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่จิตขณะนั้นมีโทสะแล้วมีราคะแล้วให้รู้ทันราคะหรือโทสะที่เกิดขึ้นกับจิตนะ คิดว่าคนเนี้เลวเขาเลวหรือเปล่ายังไม่รู้แต่จิตขณะนี้เกิดโทสะแล้วให้รู้ทันเขาไม่ได้เรื่องเลยไอ้เขาเนี่ย ไ, ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องไม่รู้จิตมีโทสะแล้วให้รู้ทัน <c oughs> ข้ามาบ่นว่าโอหที่นี่นะวัดนี้สมมตินี้เป็นวัดวัดเนี่นะงกได้อะไรมานะไม่ให้ใครเลยงกเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวเราก็ฟังเอาไว้ ไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยเข้านินทาแล้วเราคล้อยตามไหมถ้าคล้อยตามเราก็มีความโกรธไปไปกับเขาด้วยส่วนวัดนั้นจะ ง, งกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เข้า <c oughs> ใจไหมถ้าเรามีสตินะเราจะรับฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างอย่างไม่ไม่หลงให้เขาหลอก <c oughs> เขาอาจจะไม่ตั้งใจหลอกแต่เราเนี่ยหลอกตัวเอง <c oughs> เราเนี่ยหลงเชื่อไปแล้วกับข้อมูลที่เข้ามาทางหูบ้างเข้ามาทางตาบ้างเข้ามาทางจมูกบ้างหลงเชื่อข้อมูลนั้นไปหลงโกรธหลงรักหลงฟุ้งซ่านหรือบางทีก็หลงหดหูหดหูคืออะไรคิดทับถมตัวเองเคยไหมคิดทับถมตัวเองเราเนี่ยไม่ดีเลยไม่ได้เรื่องเลยเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเี้ย <laughs> เราไม่ได้มาตรฐานคิดทับถมตัวเอง พอคิดทับตัวเองอย่างนี้หดหูท้อถอยรู้แต่ว่าตัวเองไม่ได้เรื่องมีไหม <c oughs> เคยคิดไหมรู้แต่ว่าตัวเองไม่ได้เรื่องจะไม่ได้เรื่องจริงหรือเปล่ายังไม่แน่นะยังไม่แน่แต่ตอนเนี้ยมีจิตหดหูอยู่ไม่รู้ขี้เกียจมีไหมขี้เกียจขี้เกียจตอนที่เกียจมันไม่อยากทําอะไรใช่ไหมมันไม่อยากจะทําไม่อยากจะทําขณะนั้น จิตไม่อยากจะทํามันขี้เกียจจัดอยู่ในหดหูเหมือนกันนะจัดอยู่ในท้อถอยความท้อถอยเกิดขึ้นไม่รู้ทันรู้แต่ว่าไม่อยากจะทํางานนี้ไม่อยากจะทําสิ่งนี้ไม่อยากจะทําสวดมนต์ไม่อยากสวดอย่างเงี้ยนะเอาไว้ก่อน เหมือนเมื่อวานอนะหลวงพอ่อเหมือนเมื่อวานบทเดิมเลยบทเดิมเลยรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องสวดรู้กันไม่ได้ไม่ได้นะฮเหมือนไหมเหมือนเมื่อวานแล้วว่ะสวดบทเดิมเลยแต่ความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วไม่รู้รู้แต่ว่าบทสวดมนเหมือนเมื่อวานเลยความท้อถอยความขี้เกียจความหมดหู่เป็นสภาวะนะ เป็นของจริงที่เกิดขึ้นกับใจแล้วแต่เราเนี่ยมักจะไม่ได้เห็นมัวแต่ไปเห็นอย่างอื่นเห็นข้างนอกหน้าที่ของเรานะย้อนกลับมาดูย้อนกลับมาดูาดว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจราคะก็เกิดเกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยเมื่อกี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ต้องไปตั้งท่าดูว่าฉันจะดูราคะนะถ้าตั้งท่าดูนี่ผิดมีเรื่องผิดหลายเรื่องนะแต่พอรู้ว่าผิดตอนนั้นถูก <laughs> มันเหมือนเหมือนไปนเล่นเกมอะไรสักอย่างแล้วนะให้ดูสิ่งผิดให้ดูสิ่งผิดถ้ารู้ทันตอนนั้นถูกจับผิดได้รู้ทันตอนนั้นถูกรู้ทันเหมือนเล่นเกมทําให้นึกถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งโยมคงจะเคยได้ยินเพลงที่เขาร้องว่ารู้สึกเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยมั้งจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดเลนะ ถ้าแก้ไขนะเป็นสมถะแต่ถ้าจะเจรนวิปัสสนานะจะตั้งมั่นหมั่นรู้ในสิ่งผิดลองสลับกันก็ได้สองเพลงนี้นะจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดบางทีบางแก้ไปเนี่ยก็กลายเป็นสมถะเช่นกำลังมีราคะเมื่อรู้จะดัดยังไงก็พิจารณาเป็นซากศพ เห็นคนอื่นเป็นสรากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นสร้างศพ บ, บ้างพอเห็นเป็นสร้างศพได้จริงราคะก็จะดับพอลืมสวยเหมือนกันเนาะพอลืมไปเออรอดีนี่ออลอดีนี่ต้องเอาหมายเอาหมา่มามาบอกตัวเองใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสร้ากศพมันเป็นสรากศพนี่ต้องแก้นะใช่แก้วนี้เรียกว่าแก้ไขในสิ่งผิดแต่ถ้าเราจะเจริญวิปัสสนานะแปลงเนื้อร่งนิดนึง จะตั้งมั่นมั่นรู้ในสิ่งผิดรู้ว่าเมื่อกี้ผิดใช้ได้ตอนรู้ว่าผิดตอนนั้นถูกทันทีอะไรผิดอะไรบ้างเผลอไปตอนเผลอไม่รู้รู้ว่าเผลอคือรู้ทันทีคิดไปตอนคิดไม่รู้พอรู้ว่าคิดรู้ทันทีถูกไหมเพ่งเกินไปตอนเพ่งไม่รู้เพอรู้ว่าเพ่งรู้ทันที อยากจะน้อมเคลิเลิมรู้ว่าน้อมรู้ทันทีตอนน้อมไม่รู้เรื่องเคลิมไปเมื่อกี้ใครเคลิมบ้างเคลิมใช่ไหมเคลิมพอรู้ว่าเคลิมถ้าเคลิมเนี่ยไม่รู้ตอนเคลิมอยู่เนี่ยคิดว่าขนาะเนี้ยกาลังสุขสบายเคลิมมันก็ชวนให้เคลิมด้วยชวนให้ควรจะเคลิมอย่างนี้ต่อไปแต่ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยเคลิมอยู่ไม่รู้ตัว ถ้าฉุก ค, ค, คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเคลื่อนไปตอนนั้นรู้สันทีพอรู้ขึ้นมาเนี่ยนะพอรู้สภาวะอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยขารานนั้นจิตมันเก็บข้อมูลอ๋อเคลื่อนเป็นอย่างนี้อ๋ er y, อเผลอเป็นอย่างนี้อ๋อเพ่งเป็นอย่างนี้อ๋อราคะเป็นอย่างนี้อ๋อโทสะเป็นอย่างนี้ไออ๋อโทสะเป็นอย่างนี้เนยนะนี่มันบรรยายทีหลังนะแต่จิตมันทํางานคือเก็บข้อมูลไปแล้วเก็บข้อมูลไปแล้วพอมันเผลอใหม่ เพ่งใหม่เคลิมใหม่เนี่ยนะถ้ายังไม่ชํานาญมันจะเคลิมนานอีกคิดว่าเคลิมนี่ดีก็เคลิมนานอีกมาฉุกคิดอ๋อนี่เราเคลิมไปแล้วนี่ไม่ได้รู้ตัวพอรู้ตัวนะเก็บข้อมูลใหม่จิตเก็บข้อมูลจีิงๆในสังสารวัตนี้เพิ่งเก็บข้อมูลไปสองครั้งว่าเคลิมเป็นอย่างนี้เผลอไปอีกแล้วรู้ทางความเผลอเพิ่งเก็บข้อมูลว่าเผลอเป็นอย่างนี้อีกกลายเป็นรู้สองครั้งพอไหมไม่พอ รู้อีกรู้อีกเกิดโทสะรู้ท mm ันโทสะตอนมีโทสะตอนนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าเยนนี่ไม่ได้เรื่องอิตานี่ไม่ได้เรื่องไอตานี่ขี้ขาดใช่ไม <S <S ่ได้นี้ไม่ได้เรื่องโทสะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นรู้แต่คนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่รู้ว่าตัวเองกําลังมีโทสะลไม่รู้ว่าจิตเมื่อขณะนี้กําลังมีโทสะไม่รู้พอมีสติรู้ทันว่าจิตที่เพิ่งดับไปเมื่อกี้นี้เป็นโทสะจิตตรงนี้ เก็บข้อมูลดูนะรู้แล้วก็ดับตอนดับเก็บข้อมูลรู้ครั้งแรกเก็บครั้งเดียวพอไหมไม่พอโกรธใหม่รู้ใหม่อาจจะโกรธคนอื่นต่อนะโกรธคนอื่นแต่ความโกรธเหมือนกันลักษณะคือไม่ชอบผลักไสไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังไม่ต้องการดูสิ่งนั้นอีกบางคนนะเวลาโกรธจัดจัดนะ แกยังมาอยู่ร่วมโลกโลกใบเดียวกันเนี่ยนะถ้าแกไม่ไปกูก็จะไปอะไรย่างเงี้ยอยากจะผักสายหรืออยากจะหลีกเลี่ยงหนีจากเหตุการณ์นั้นอยากหลีกเลี่ยงหนีจากคนคนนั้นไม่อยากอยู่ด้วยถ้ามีความรักอยากดูอีกอยากเห็นอีกอยากอยู่ด้วยอีกอยากสัมผัสอีกเป็นอย่างนี้ราคะกับคนนี้กับราคากับคนน้นก็ราคะนะ่ะแต่ถ้ามีตอนมีราคะตอนมีราคากับคนนี้รู้แต่คนนี้ รู้ว่าคนนี้น่าสัมผัสน่าคุยด้วยน่าเข้าไปกอดสักทีหนึ่งน่าจะหอมแก้มสักทีนึงหอมแก้มไปทีโอ้โหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยนะพบกฏว่าทุกครั้งที่มีราคะไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าคนนั้นน่ารักคนนั้นน่าคุยด้วยน่าสัมผัสด้วยทุกครั้งที่มีโทสะไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าคนนั้นไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ความควรจะพ้นไปจากสายตาเราควรจะพ้นไปจากชีวิตเรา แต่ถ้าเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเมื่อกี้นี้มีโทรศัพท์ทุกครั้งที่เห็นมันจะรู้จากสภาวะคือราคะนั้นอาจจะไม่ได้บรรยายว่าราคะมีลักษณะอย่างนี้อาจจะไม่ได้บรรยายว่าโทรศั์มีลักษณะอันนี้แต่จิตรู้แล้วรู้แล้วแล้วพอดับไปจิตจาจาเป็นสัญญาสองครั้งพอไหมไม่พอสาครั้งพอไหมไม่พอ เพราะว่าตลอดสังสารวัตรนี้เราสะสมข้อมูลห่วยหวยเอาไว้เยอะเลยข้อมูลห่วยหวยเหล่านั้นะมีอนุภาพคือทําให้เราเนี่ยเชื่อเชื่อว่ามีเราจริงเชื่อว่ามีเขาจริงเขาไม่ดีจริงเราดีจริงหรือเราห่วยจริงอะไรประมาณนั้นมันเชื่อว่ามีเขามีเราเชื่อว่าเขาไม่ดีเชื่อว่าเราไม่ดีเชื่อว่าเขาดีเชื่อว่าเราดีเชื่อว่าเขาน่ารักอย่างงี้ยมันมีความเชื่ออย่างนี้เชื่อว่ามีตัวตน ความเชื่อเหล่านี้จะไม่ดับไปหรือไม่ใช่ไม่สามารถหักล้างด้วยเพียงแค่ประจักษ์พยานสองครั้งยังไม่ได้มันดือ้อจิตนี้มันดือ้อมันโง่ด้วยดื้อด้วยเวลาฉลาดก็ฉลาดในการหลีเกเลี่ยงฉลาดที่ฉลบฉลาดในการฉแลบหลีเกเลี่ยงรู้ว่าทำอย่างเงี้ดีแต่ไม่เอา มันฉลาดที่จะยอมแพ้ฉลาดที่จะถดถอยฉลาดที่จะไม่ไม่เอาความเจริญมันยอมที่จะมีความสุขในเรื่องบางเรื่องยอมนะยอมที่จะมีความสุขในเรื่องบางเรื่องเช่นดูแล้วมันโหดูแล้วมันอยากดูอีกใจไหลไปเลยไม่รู้ทันแต่อยากดูอีกมัน มันมีความสุขในการจิตส่งออกไปอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นมันยังไม่รู้จากว่าความสุขแบบมีสติเนี่ยเป็นยังไงมันไม่รู้พอมันไม่รู้มันก็เลยคิดหาความสุขจากสิ่งอื่นไม่ได้คิดหาความสุขจากการหันมาดูจิตตัวเองมันไม่เห็นความสุขจากการดูจิตแต่พอมีความมีความรู้ว่าเมื่อกี้นี่มีราคะแล้วราคะเป็นอย่างนี้จิตตื่นขึ้นมา จิตตื่นขึ้นมาจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้เราเสียเวลาไปทําไมตั้งนานกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเสียเวลาไปตั้งนานลูกงี้ไงมีลูกงี้ด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยนะคนเราเนี่ยนะพลาดพลาดไปนานๆนะโอ้ลูกงี้ลูกงี้หันมาดูตั้งนานแล้วลูกงี้มาดูจิตตั้งนานแล้วลูกงี้มาดูกายตั้งนานแล้วลูกงี้เจริญสติตั้งนานแล้วแต่สติแบบอย่างงี้เลยนะ มันยังเป็นอยู่ในขั้นโลกีคือเสือเส่อมได้เสื่อมได้หมายถึงอะไรมันถูกโลคจูงไปต่อได้จูงไปแบบไหนบ้างจูงไปมีราคะจูงไปมีโทสะจูงไปฟุ้งซ่านถ้าจูงไปแล้วไม่รู้ตัวราคะก็โตโทสะก็โตหลงเนี่ยหลงอยู่แล้วหลงไปนานอยู่แล้วพอโตไปโตมานะถ้าห้ามใจไม่ได้ไปผิดศีลไปผิดศีลไปแล้ว เดือดร้อนใจมีวิปฏิสารภาษาพระนะวิบวิบเนะี่ยมาจากภาษาพระคือเดือดร้อนใจพอเดือดร้อนใจถ้าคิดปกป้องตัวเองด้วยการทํำยังไงที่จะไม่ให้คนอื่นรู้ทําผิดอีกตัวหนึ่งคนทําผิดศีนะมักจะต่อเนื่องทําผิดต่อไปเรื่อยๆทํำยังไงไม่ให้เขารู้ฆ่าเขาแล้วสมมติขโมยเข้ามาแล้วเนี่ยนะทํายังไงที่จะไม่ให้คนอื่นรู้ฆ่าปิดปาก ข้าจะของซับปิดปากทํำไงที่จะไม่คนอื่นรู้อีกเอาไปถ่วงน้ําคนอื่นเห็นไ่าของนั้นต่อหรือไม่ก็ไปยัดเงินเพื่อให้เขาเป็นพยานเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะมีความผิดต่อเนื่องถึงผิดต่อเนื่องแต่ถ้ารู้ตัวว่าผิดนั้นผิดไปแล้วไม่อยากผิดอีกใช้ได้ความผิดก็หยุดแค่นั้นช่วงชีวิตต่อไปเป็นการทําบุญใหม่จเจริญสติขึ้นมาใหม่ทําความรู้ตัวขึ้นมาใหม่ ผิดแล้วถ้าเป็นคนขี้อาย <S <S ถ้าเป็นคนขี้อายนะไม่อยากให้คนอื่นรู้ตัวเองผิดแล้วทำผิดแบบหลบหลบซ่อนๆนั้นยิ่งแย่นะถ้าผิดแล้วรู้ตัวแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ทำอีกอย่างนี้ใช้ได้เห็นความผิดแล้วมันความผิดนั้นทิ่มแทงใจรู้เลยว่าผิดทีไร ท, ทุกทุกที <laughs> ผิดทีไร ท, ทุกทุกที <laughs> เห็นความผิดนั้นแล้วก็เออเป็นบทเรียน mm hmm. ความเผลอความพลาดอันนั้นเป็นบทเรียนพ mm hmm. ลิกตัวขึ้นมาใหม่กลับตัวขึ้นมาใหม่ใช้ได้ mm hmm. บางทีราคะเนี่ยมันมีโทษโทษแบบดูไม่ค่อยออกราคะเนี่ยนะมีโทษแตบบ่ดมูมันมีความสุขกามเนี่ยมีความสุข ท่านยังเรียกว่ากามคุณเคยได้ยินไหมการมาคุณกามโทษเคยได้ยินไหมไม่ค่อยเคยได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินนะกามโทษไม่ค่อยได้ยินมีแต่การมาคุณเพราะว่ากามเนี่ยเป็นความใคร่เห็นอะไรแล้วชอบมันก um ็มีความสุขอยากเห็นอีกเพราะว่ามันมีความสุขอยากฟังอีกเพราะว่าฟังแล้วมันมีความสุขอยากดมอีกเพราะดมแล้วมันมีความสุขไอ้สุขในกามาคุณเนี่ยเป็นเหยื่อล่อของโลกถ้าเราติดเหยื่อแล้วก็ตกหลุม มันไม่ใช่หลุมธรรมดาเป็นเหวมันมีกรอนกรอนอะไรนะจำได้ไหมหลวงพ่อเคยพูดเหวลึกเดียวนึกว่าเหวตื้นใช่ไหมเหวลึกยนึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอยากขนองไปลองผักตกเหวหินปีนป่ายางง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายเพราะมันไม่ค่อยอยากจะขึ้น รู้สึกตรงนี้ก็มีความสุขดีแต่สุขไม่นานทุกอีกแล้วสุขไม่นานทูกอีกแล้วปีนปนไปเสียดายอะไรอวรนก้นเหวตกไปอีก <laughs> ต้องใจเด็ดเดี่ยวมากนะกว่าจะปีนเหววนี้ขึ้นมาได้เห mm hmm. ็นโทษเห็นภัยจากการยอมแพ้ต่อกาม mm hmm. หันมามีสติรู้ตัว mm hmm. มีโทรศัก็ติดโทรศัก็ติดนะติดแบบไหนอาฆาตเคยอาฆาตคนไหมคือนั่นคือติดโทรศัคิดคิดแล้วคิดอีกคิดซจำนะไอ้ตอนนี้ราค่าก็คิดซจำนะคิดแล้วคิดอีกอยากเจอก็อยากเจออยากเจอตอนมีโทรศัก็อยากเจอ อ, อยากเจอเพื่อไปตบมันอยากเจออยากเจอวางแผนด้วยวางแผนทำไงให้เนียนทําให้เขามาแบบไม่รู้ตัวแล้วเราซุ่มโจมตีทันทีอะไรอย่างเงี้ย คิดแบบโทสะแบบติด <c oughs> ก็ติดเหมือนกันไม่ใช่มีโทสะแล้วไม่อยากเป็นนะโทสะเนี่ยมันมีสภาพคืออยากทำลายอารมณ์นั้นอารมณ์คือสิ่งที่ที่ถูกรู้นั้นเช่นเช่นอะไรสมมตินี่เป็ดไม่ใช่บุคคลนะกินน้ำอันนี้แล้วไม่ชอบเลยถ้ามีโทสะคือสาทิ้งซะ ถ้าเป็นคนคนนี้ก็อย่าอยู่ยุ่มอย่าอยู่ร่วมโลกกับเราเลยทํำยังไงจะทําลายสิ่งนี้ใชไม่ได้ทําลายโทสะนะโทสะเนี่ยอยากทําลายจริงแต่ทําลายอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่ได้ทํำลายโทส ะ, ะนั้นโทสะเกิดขึ้นจะทําลายคนอื่นทําลายสิ่งอื่นโทสะกับตัวเองก็จะทําลายตัวเองอันนี้เป็นสิ่งอื่นเหมือนกันนะคืออื่นนอกจากรู้ นอกจากกายนอกจากใจในบางทีก็ทำลายตัวเองทำลายคนอื่นทาลายไปไม่มีความรู้ตัวพอไม่มีความรู้ตัวก็พาให้ผิดศีลมีราคะก็พาผิดศีลมีโทสะก็พาผิดศีล น, นั้นพอมีสติรู้ขึ้นมาเนี่ยรักษาศีล้ง่ายรักษาศีล้ง่ายมีความเขาเรียกอะไรสังวรมีอินทรียสังวร อย่างที่บอกแล้วว่าจิตเนี่ยไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีหกช่องทางเวลาไปรู้อารมณ์แล้วมีราคะดูแล้วดูอะไรแล้วมีราคะให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันราคะโตจากการดูนะให้หลีกเลี่ยงจากการดูสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามีการสังวรสัมรวมอินทรีย์ถ้ารู้ว่าแพ้ทางนี้หันไปนดูอย่างอื่นบ้างก็ได้พระเนี่ยใช้วิธีนี้เดยอะ ฝันนี <google> oh, honey, u, ้โอ้คนนี้ไม่เอาไม่เอาเลี่ยงสู้ไม่ไหวนะถ้าสู้ไม่ไหวให้เลี่ยงไปก่อนสู้ตรงนี้ไม่ไหวให้เลี่ยงไปก่อนดูแล้วมีราคะไม่เอาสู้ไม่ไหวเลี่ยงไปก่อนไม่ใช่ว่าฉันจะดูราคะที่เกิดขึ้นถ้าดูได้ก็ดีแต่มันถ้ามันแพ้ทางแล้วเนี่ยนะมันจะดูแล้วเกิดราคะราคะราคะแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคะใหญ่แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเผลอไปผิดศีล ถ้าถ้ารู้ว่าแพ้ทางกับสิ่งนี้นะสมมุติว่าเห็นหน้าเชื่ออะไรนะเต็มสิริแล้วเกิดราคะแล้วแพ้ทางเห็นหน้าคนนี้ทีไรแล้วฉันจะเกิดราคะทุกทีเลี่ยงเลี่ยงไม่ต้องไปดูหลบหลบหน้าไปบ้างก็ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันอยากดูดูอีกดูอีกฉันจะดูราคะเห็น ท, ดนนทนาาีดีเห็นหน้าทีหนึงก็ราคะเกิดเห็นหน้าทีหนึงก็ราคะเกิดแต่ไม่รู้ ว่าราคะเกิดเลยรู้แต่ว่าโอ้โหตาก็สวยจมูกก็สวยขี้มูกก็ดีย้อยมางามมากเลยใสยปิงอะไรอะไรดีไปหมดเลยเวลามีราคะเนี่ยนะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดตอนนั้นมีราคะมากเกินแล้วต้องเลี่ยงไม่ใช่เดินหน้าสู้อย่างเดียวเดินหน้าสู้ใช้ต่อเมื่อมีกำลังแล้วมีกำลังดีแล้วมีสติมากขึ้นแล้วถ้าเราสติยังไม่พอนะแพ้ทางคนนี้เลี่ยง แค่ทางสิ่งนี้เลี่ยงต้องใช้ดาบสองมือกรรมฐานเนี่ยนะใช้สมถะบ้างใช้วิปัสสนาบ้างฟันวิปัสสนาอย่างเดียวนะเมื่อยไม่ได้ต้องใช้อีกมือหนึ่งคือสมถะบ้างสมถะอย่างเดียวไม่ได้ใช้วิปัสสนาเลยนะก็ใช้จนทื่อไม่ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาจริงสมถะเนี่ยไม่เกิดปัญญาจริงเพราะว่ามันจะเป็นการ สมถะเนี่ยคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานๆมันนิ่งสงบแต่สงบแล้วต้องออกเข้าฌานแล้วก็ต้องออกออกมาแล้วเกิดกิเลสอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าไปฝึกกับอาลาระดาบทกับอุท ธ, ธกดาบทเข้าฌานแล้วออกมากิเลสยังอยู่เข้าไปแล้วกิเลสเหมือนดับไปแล้วออกมากิเลสยังอยู่เพราะว่ายังไม่มีปัญญาไปตัดกิเลสจริงคือไม่มีปัญญารู้จริงดังนั้น ทำสมถะแล้วต้องทำวิปัสนาด้วยทำวิปัสนาแล้วไปไม่ไหวเกิดความรู้ที่ไม่รู้จริงขึ้นมาแล้วกลับมาพักทำสมถะต่อทำมีดาบสองมือนะเรามีสองมือก็ต้องใช้วิชาสองวิชานี้ด้วยทำด้วยความอดทนเพราะว่าบางทีเหมือนไม่เห็นผลเหมือนไม่เห็นผลแต่ก็ทำนี้แหละทำไปด้วยความอดทนตัวอดทนนี่เป็นตัว ตัวที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนอย่างนี้ขันตีปรมังตะโปตีติขาขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งสอนอย่างนี้นะทนจะทนทำได้ต้องถ้าคิดว่าทนไม่ได้ให้ศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้นมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ต้องได้ผลตอนนี้เหมือนว่ามันยังไม่ได้ผล ทนทำบูสต์ลีรู้จักบูสตลีไหมไวน์นี้น่าจะรู้จักนะถ้าไวัยโน้นอาจจะงง ง, งแล้วบูสลีรู้จักไหมเด็กคนนั้นรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมบูสตลีเป็นดาราฮ่องกงเขามีวิชาป้องกันตัวใช่ไหมศิลปะป้องกันตัวจะว่ากังฟูก็ไม่ใช่นะก็มันเป็นวิชาเฉพาะของเขานะก็ เ, เรียกอะไ ร, รจําไม่ได้ละ เขาบอกว่าในบรรดาการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยใครจะมีกระบวนท่าหลากหลายแค่ไหนฝึกมาหลายกระบวนท่าเนี่ยเขาไม่ไม่กลัวสมมุติคนนี้จะมาต่อสู้เขาและคุยโม้ว่าเขามีกระบวนท่าอยู่ร้อยกระบวนท่าไม่กลัวฝึกมาหลายกระบวนท่าเขาไม่กลัวเลยแต่ท่าคู่ต่อสู้ของเขาบอกว่าเขาฝึกท่าเตะอยู่ท่าเดียวพันครั้งพันพนครั้งโอ้คนนี้น่ากลัว เพราะอะไรมันฝึกเตะจนชำนาญแล้วถ้าเกิด0ันครั้งเนี่ยมันรู้เลยว่าควรจะเตะยังไงไม่ใช่ทำแป๊บแปแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าคนทำแป๊บแป๊เปลี่ยนท่านะไม่ทำไม่ทนและไม่รู้จริงในท่านั้นแต่ถ้าทนเตะอยู่ได้ตั้งพันครั้งนะแสดงว่ามันรู้จริงรู้แล้วว่าจะต้องเตะยังไงให้ได้ผลเตะท่าเดียวเนี่ยบุสลีบอกว่ า, วา สมันแสดงถึงความอดทนของคนนั้นถ้าเขาทนได้ในการเตะอยู่ท่าเดียวพันครั้งแสดงว่าเขามีความอดทนเขาจะประสบความสาเร็จในการต่อสู้และรู้จริงคนนี้น่ากลัวแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้นะเรียนท่านี้แล้วยังไม่ไมทันรู้จริงขอเรียนท่าใหม่นะไม่รู้ไม่เก่งสักท่าไม่เก่งสักท่าอันนี้เหมือนกันนะเราให้ท่าไปแล้วนะ ไม่ใช่ให้ท่าแบบแปะท่าให้ท่าคือทำยังไงที่เราจะให้ทุกน้อยลงหรือทุกนี้หายไปพระเจ้าบอกว่าให้มีสติปัฏฐานรู้ในสี่เรื่องกายเวทนาจิตหรือธรรมสี่เรื่องนี้มีสติรู้กายคือรู้ไปเลยจิตเบนสภาพรู้กายถูกรู้รู้ได้เลยรู้ได้ทันทีรู้เวทนา ถ้าเป็นเวทนาทางกายก็รู้ได้ทันทีรู้ไปเลยดู้ก็ตรงๆแต่ถ้าเป็นเวทนาเวทนาทางจิตเช่นยินดียินร้ายโสมนัสโทมนัสรู้จักเคยได้ยินไหมโสมนัสรู้จักไหมโสมนัสโทมนัสจิตที่มีความยินดียินร้ายโสมนัสโทมนัสทีส่นเกิดขึ้นมาขณะนั้นยังไม่รู้ต้องดับไปก่อนแล้วรู้ว่าเมื่อกี้นี้มีความโสมนัสหรือโทมนัสราคะโทสะโมหะ ถ้าเป็นเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายหรืออยู่ที่จิตอยู่ที่จิตกายนี้ไม่มีนะไม่มีราคะแต่เป็นที่ตั้งของราคะได้คือเห็นกายแล้วเกิดราคะเห็นกายแล้วเกิดโทสะเห็นได้แล้วเกิดราคะได้แต่ราคะมาเกิดที่จิตจิตมีราคะขณะนั้นมีสติไม่ได้ต้องให้มันดับไปก่อนแล้วจิตดวงใหม่จึงมารู้ว่าเมื่อกี้นี้มีราคะหรือมีโทสะดูอย่างนี้ส่วนธรรมะเนี่ยดูเป็นกระบวน ธรรมะเนี่ยนะดูเป็นกระบวนเช่นว่าขันห้าขันห้ามีประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือดูนิวรนรู้จักนิวรนไหมนิวรนคือเครื่องกั้นมีโมหะมาเป็นเครื่องกั้นความฟุ้งซ่านมาเป็นเครื่องกั้นทําให้ไม่รู้ตัวขณะที่มีนิวรนเนี่ยเป็นเครื่องกั้นทําให้ไม่รู้ตัวเครื่องกั้นที่ทําให้ไม่รู้ตัวมี5อย่างพอใจในกามมีกามฉันทะมีความ ไม่พอใจคือมีพยาบาทมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความหดหูท้อถอยมีความลังเลสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นมานะไม่รู้ตัวเป็นเครื่องกั้นความรู้ตัวเครื่องกั้นสติก็รู้ทันแค่รู้ทันเครื่องกั้นนั้นหายไปกลายเป็นรู้ตัวแต่ถ้าสงสัยอะไรขึ้นมาแล้วก็พยายามหาคำตอบนะขณะนั้นไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ากูจะหาคาตอบแล้วก็ไม่ได้ ขณะนั้นกำลังง่วงซึมอยากนอนอยากนอนหรือขี้เกียจท้อถอยขณะนั้นถ้ายังไม่อยากทำอยากนอนไม่อยากเดินอยากนอนไม่อยากทำงานนี้เลยไม่อยากทาอะไรเลยอยากนอนมันคิดถึงแต่ที่นอนความรู้ตัวไม่มีจิตกำลังท้อถอยไม่รู้ตัวจิตกำลังหอบถูไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าที่นอนอยู่ไหนที่นอนอยู่ไหนตอนนี้ใครมีจิต ความคิดถึงที่นอนบ้างที่นอนอยู่ไหน Where is my bed เวลาพยาบาทก็คิดถึงไอ้หน้าคนนั้นมันไม่คิดถึงว่ารู้ตัวว่าพยาบาทเป็นยังไงนั้นหน้าที่ของเรานะย้อนมาดูถ้าใช้ภาษาอาตมา ก, ก็คือแงะมาดูแงะ สัมเนียงนครสวรรค์ก็แง่ใช่ไหมถ้าสัมเนียงอัตมาก็บางปะกงก็แงะแง่มาดูหันมาดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตพอได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังหลวงพ่อต่อแล้วหลวงพ่อจะสอนอะไรแล้วเราลองมาขยายความกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้มีอะไรสงสัยไหมสงสัยอะไรไหม มีปัญหาไหมผมถามแบบนักเลงมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมจุดที่จะมีประโยชน์มากนะคือตอนที่อยู่กลุ่มเล็กๆอยู่กับอยู่กับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยพออยู่กลุ่มเล็กๆนะจะชี้ได้แต่ละคนแต่ละค น, ล, ะคนลงปัญหาในในรายละเอียดได้ของแต่ละคนพออยู่ในกลุ่มรวมอย่างนี้นะอาตมาก็แบบเหวี่ยงแห พูดเวียงเวียงเวียงแหไปพออยู่ในกลุ่มเล็กเน้นะเป็นอะไรเมื่อเหมือนเวียงแหนะเนาะเรียกว่าชกตรงเป้า <c oughs> คงไม่ใช่สุ่มนะสุ่มก็ยังแบบต้องควานควานเอาเนาะแต่พวกเราเนี่ยคล้ายๆเวลาดูจิตเนยคล้ายๆคล้ายคนจับปลาด้วยสุม่ม จิตอยู่ตรงนี้แหละแต่อยู่ตรงไหนก็ยังหาไม่เจอควานหามันอยู่แถวๆนี้แล้วมันอยู่ไหนก็นล่ะยังหาไม่เจอควานเอาเป็นเงินไหมถ้ารู้ว่าควานคือรู้แล้วถ้ายังควานอยู่นะไม่เจอไอปลาตัวนี้นะมันแปลกนะถ้าล้วงหาอยู่นะไม่เจอหยุดล้วงว่าเมื่อกี้นี่ล้วงปลาติดมือมาเลยปลาตัวนี้นะจิตดวงเนี้ยถ้าควานหาอยู่นะไม่เจอรู้ว่าควานเจอเลย ถ้าให้ดูจิตตอนนี้นะดูได้ไหมจิตตอนนี้เป็นยังไงควานใหญ่เลยใช่ไหม ท, ทั้งที่เพิ่งบอกเมื่อกี้เองว่าถ้าควานแล้วจะเจอควานเจอมไหมไม่เจอรู้ว่าควานจะเจออย่างงี้นะรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตแล้วมันจะหลอกกันอย่างนี้แหละแต่ถ้า เห็นสักครั้งเนี่ยแล้วนะมันจะหลอกยากขึ้นเห็นสองครั้งก็หลอกยากขึ้นอีกแต่ยังหลอกได้นะยังหลอกได้เห็นสามครั้งสี่ครับก็ยังหลอกได้แต่ลอกหลอกยากขึ้นหลอกยากขึ้นหลอกยากขึ้นรู้ง่ายขึ้นรู้ง่ายขึ้นรู้ง่ายขึ้นพอได้ไหมคืนนี้นะให้กันบ้านให้กันบ้านไปนอนดูตอนนอนเนี่ยนะนอนดูมันหลับตอนหายใจเข้าหรือหลับตอนหายใจออก ไม่ต้องพยายามให้มันหลับไปแต่ขอดูนอนแบบให้มันหลับเลยนะนอนให้มันหลับฉันอนุญาตให้หลับแต่จะขอดูว่าหลับตอนไหนไม่ต้องตั้งใจว่าจะตื่นตลอดเพื่อจะดูด้วย <c oughs> มีคนดูได้นะเอา้ามีคนดูได้ไม่ใช่หลอกนะไม่ใช่หลอกให้ไปดูนะมีคนดูได้ดูได้จริงๆ แเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันว่าใครหลับตอนลมเข้าหรือลมออกไม่ได้หลอกไม่ใช่หลอกให้ทําทําได้จริงๆดูได้จริงๆมีเทคนิคนิดหนึ่งแนะให้ก็ได้นะตอนลมเข้าลมออกแบบมีสติแบบตื่นอยู่เนี่ยนะลมเป็นเป็นแบบหนึ่งตอนหลับลมเป็นอีกแบบหนึ่งมันเปลี่ยนตอนไหนไปดูเอา ไปดูให้ไปดูไปดูนะดูได้จริงๆดูได้จริงคืนนี้ไม่เห็นคืนหน้าดูอีกสนุกสนุกดีไม่ใช่หลอกให้ดูด้วยดูได้จริงๆรล้วพอดูได้นะดูตอนตื่นตื่นตอนลมออกหรือลมเข้าโอ้โห ตื่นมานะควานหาอีกอ๋อนะเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปใครมีปัญหาไหมลาสคอไม่มีนะจบเรียบร้อยไปดูให้กันบ้านแล้วนะ